ข้อความในมหาประทานสูตรต่อจากครั้งที่แล้วที่กล่าวถึงพระโพธิสัตว์วิปัสสีหรือพระวิปัสสีโพธิสัตว์ตอนที่ท่านจุติจากสวรรค์ชั้นดุสิตขณะที่จุติจากสวรรค์ชั้นดุสิตนั้นก็มีสติสัมปชัญญะเสด็จลงสู่พระครรภ์ของพระพุทธมารดาอันนี้เป็นถือว่าเป็นธรรมดาเป็นธรรมนิยามนะ ในหน้าเกกล่าวถึงเหตุการณ์ตอนที่พระโพธิสัตว์ถือปฏิสนธิในพระคภนของพระพุทธมารดาว่าในวันครบรบจําเดิมแต่วันที่เจ็ดแห่งอาศรหะปูรรมีเนี่ยนะหมายความว่าตอนที่หลังจากพระโพธิสัตว์ปฏิสนธิในพระคันเนี่ยพระมารดาของพระโพธิสัตว์นั้นทรงเล่นนัขัดตากีฬา แปล ว, ว่าเป็นการเล่นชนิดหนึ่งนะเป็นเค่ว่าเป็นงานประเพณีหรือเป็นงานปีนะเขาก็มีงานปีงานประจําปีเป็นต้นพระองค์วันนั้นเนี่ยนะพระพุทธมารดานั้นก็ประทับอขออภัาายประดับด้วยดอกไม้และของหอมเป็นต้นในนักษัตริย์เนี่ยนะประับงานประเพณีอันนี้ไม่มีการดื่มสุรานะไม่มีการดื่มเหล้าพระองค์ก็เสด็จลุกแต่เช้าในวันที่เจ็ พระองค์ก็ทรงสนานด้วยน้ำหอมตกแต่งด้วยเครื่องประดับทุกชนิดสเสวยพระกยาหารอันเลิศเดี๋ยวทวนอีกนิดหนึ่งนะบางว่าก่อนวันเพ็ญเดือนแ8ดเนี่ยนะก่อนวันเพ็ญเดือนแปดก็แปลว่าก่อนหน้านั้นเจ็ดวันก่อนนับตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ดีเก้าค่ำสิบนคะ่ำสบอ็ดสิบสองสบสาสิบี่สิบห้าเน่ก่อนหน้านั้นมาเนี่ยตั้งแต่วันประมาณเก้าค่เดือนแปดเนี่ยนะเป็นช่วงเทศกาล เรียกว่าเท ศ, เทศกาลเป็นลักษณะเป็นงานประจำปีเป็นงานงานปีของเขาอ่ะน ะ, ะนั้นช่วงนั้นก็จะมีการประดับประดาตกแต่งมีการรื่นเริงมีการเพลิดเพลินอย่างเดียวเนี่ยตลอดเจวันก็เป็นงานที่มีความสุขมากเจวันผ่านไปพอถึงวันที่วันวั น, วนอาสาฬหาบูชาพอดีก็คือตรงวันเพ็ญเดือน8เนี่ยนะพระพุทธมารดานั้นก็อธิษฐานองค์แห่งอุโบสถแต่เช้ามืดเลยนะ ก็อธิษฐานองค์แห่งอุโบสถเช้ามาก็สมาทานอุโบสถน ะ, สะเสด็จเข้าสู่ห้องเสิ็จบรรทมนะเข้าห้องอันเป็นเสิริแล้วก็บรรทมโดยพระสิริสัญาตเนี่ยนะเสร็จ แ, แล้วก็ขณะที่พอเข้าสู่ที่พักอย่างนั้นนะ่ยก็เข้าสู่นิทราก็คือหลับไปขณะที่หลับนั้นก็ฝันเนี่ยนะพระมีพระสุบินพระสุบินก็คือฝันเป็นความฝันพิเศษที่มีเฉพาะพระพุทธมารดาเนี่ยนะ พระองค์ฝันว่าท้าวมหาราชทั้งสี่ได้ยกพระพุทธมารดาเนี่ยพร้อมด้วยพระที่หมายถึงว่ายกพระองค์ไปพร้อมทั้งเตียงเลยนะปกติเนี่ยเขายกแต่ตัวไปนี้แตไ่ไม่ได้ยกตัวหรอกยกเตียงเลยนะตัวก็นอนบนเตียงเพราะฉะนั้นท้าวมหาราชมายกเตียงคนละเตียงนี่มีสี่เท้าเพราะฉะนั้นก็มายกคนละเตียงแล้วอัะนนยกไป ท, ที่ที่ไหนที่สานโนดาตพอไปถึงก็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 ณบริเวณนั้นเนี่ยนะไม่ไกลาจากสถานที่ที่อาบน้ําที่สาโนดามีภูเขาเงินภายในข้างในของภูเขาเงินเนี่ยมันมีถ้าถ้ำข้างในนั้นมีวิมานเรียกว่าเป็นวิมานทองเสร็จแล้วก็ให้พระพุทธมารดาเนี่ยหันท่าเสียนไปทางทิศประจีนบรรทมณนะวิมานทองแห่งนั้นก็หมายคำว่าให้พระโพธิสัตว์เนี่ยน ะ, ะมารดาพระโพธิสัตว์เนี่ยเข้าไปนอนในวิมานทองข้างนอกเป็นภูเขาเงิน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 พระโพธิสัตว์ก็เสด็จไปที่ภูเขาทองลงจากภูเขาทองพอออกจากภูเขาทองก็ขึ้นไปที่ภูเขาเงินเข้าไปยังวิมานทองนะคือภูเขาเงินมีวิมานทองอยู่ในนั้นอ่ะนะไปก็ไปประทักศิลไปเวียนขวาเวียนขวาพระมารดาแล้วก็คล้ายกับแหวกคือพ ร, พระพุทธมารดานี่นอนตะแคงขวาใช่ไหมนอนตะแคงขวาหันศีรษะไปทางทิศตะวันออกก็เหมือนกับว่ามาแหวกแหวกสีรษะเนี่ยนะแหวกสีข้างนะ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 มันก็สว่างขึ้นมาพระราชาก็รับสั่งให้เรียกหัวหน้าพราหมณ์ประมาณแปเออขอหสบสี่คนให้ลาดอาสนะอันมีค่ามากบนพื้นที่ฉาบด้วยของเขียวกระทํามงคลสการะด้วยข้าวตอกเป็นต้นเมื่อพราหมณ์ทั้งหลายลงเอ่อนั่งลงณที่นั้นแล้วพระราชาก็นําถาดทองถาดเงินอันเต็มไปด้วยข้าวปลายาตอย่างดีปรุงด้วยเนยใสปรุงด้วยน้ำพึ่งและน้าตาลกรวด ครอบไว้ด้วยถาดทองและก็ถาดเงินอีกทีหนึ่งแล้วถวายก็คือเราจัดอาหารใช้ผาชนะอย่างประณีตที่สุดเท่าที่จะหาได้เพราะเป็นงานมงคลเหมือ้นมงคลอะไรมงคลํำนายฝันก็คือถ้าหากว่าเราศึกษาไม่ดีเหมือนแหมกษัตริย์บ้านเมืองนี่มีเอะอะไรหน่อยเชื่อแต่หมอดูอย่างเดียวนะถ้าหาว่าฟังดูไม่ดีเป็นอย่างนั้นแต่ว่าเออก็ก็บางอย่างก็ นะอย่างเช่นโลกบางอย่างนี่มันไม่ได้รู้ด้วยแบบใช้วิจารณญาณธรรมดาทั่วไปก็ต้องอาศัยวิชาวิชาที่จริงแล้วกลุ่มหมอดูกลุ่มโหราศาสตร์ทั้งหลายก็คือวิชาสถิตินั่นเองนั่นก็ต้องไปใช้วิชาพวกอาจารย์ผู้มีรู้มีความรู้ด้านสถิตมาคํานวณดูซิเสร็จแล้วก็ให้พราหมณ์เหล่านั้นอิ่มเอิบอิ่มด้วยวัตถุอย่างอื่นมีอะไรบ้างก็มีน้ํานมเป็นต้นเนี่ยนะก็ถวายนมถวายอะไรแล้วก็ถวายผ้ามะ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 ซึ่งเป็นพรามที่อิ่มเรียบร้อยแลนะนะครับแปลวา่าถ้าอะไรนะไปถามตอนที่พรามหิวเนี่ยอาจจะได้รับคําบอกเล่าอีกอย่างก็ต้องให้ให้เขาอิ่มน้ําสําราให้มีความสุขก่อนแล้วก็ถามว่าผลแห่งความฝันอันนี้จะเป็นอย่างไรความฝันอันนี้เป็นเครื่องหมายบอกให้รู้ว่าจะมีอะไรต่อไปข้างหน้าพรามนั้นก็กราบทูลว่าขอเดชะพระมหาราชพระองค์อย่าทรงพระวิตตกไปเลย พระเทวีเนี่ยสรงพระครันแล้วพระเจ้าค่ะก็เครื่องหมายแบบนี้แปลว่าผู้ที่ฝันเนี่ยมีท้องพระองค์นั้นหาก น, นะโอรสที่เกิดขึ้นมาเนี่ยนะถ้าหากว่าครองเรือนจะเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิทรงประกอบด้วยธรรมเป็นพระธรรมราชาคําว่าประกอบด้วยธรรมคือประกอบด้วยกุศลกรรมบทสิบปกครองบ้านเมืองรัฐแว่นแคว้นอยู่บนพื้นฐานแห่งกุศลกรรมบทสิบเนี่ยนะ พระโอรสนั้นถ้าหากว่าพระองค์ออกบวชจากเป็นพระพุทธเจ้าผู้เปิดหลังคาคือกิเลสในโลกเนี่ยนะก็จะเป็นพระพุทธเจ้าผู้เปิดโลกผู้ทําโลกให้แจ่มแจ้งที่บอกว่าการที่พระโพธิสัตว์เนี่ยนะมีสติสัมปชัญญะเสด็จสุขันพระพุทธมารดาข้อนี้เป็นธรรมดา นะมีเรื่องราวที่กล่าวไปแล้วนี่ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายที่ลงสู่ครันพระมารดาเนี่ยนะบทว่าอยเม ธ, ธะธรรมตาข้อนี้เป็นธรรมดาในการเสด็จลงสู่พระขันของพระพุทธของพระมารดาของพระโพธิสัตว์อธิบายว่าเป็นความจริงอันนี้เป็นแน่นอนเป็นเรื่องแน่นอนแน่นอนคือไม่มีอะไรจะเปลี่ยนแปลงเพราะพระโพธิสัตว์ทุกพระองค์นั้นอะนะ จะต้องมีสติสัมปชัญญะลงสู่ขันพระพุทธมารดาอันนี้เน้นพิเศษคือชาติสุดท้าย เ, เกี่ยวกับเรื่องรายละเอียดการลงสู่คันพระมารดาเนี่ยนะเขามีเรื่องอย่างนี้บางคนเนี่ยนะตอนที่ลงสู่คันก็ไม่รู้ไม่รู้ตัวเลยนะตอนที่มาเกิดก็ไม่รู้ตัวตอนอยู่ในคันก็ไม่รู้ตัวคลอดออกมาแล้วก็ตอนคลอดก็ไม่รู้ตัวอันนี้ปกติปุถุชนทั่วๆไปคนที่ไม่มีบุญทั้งหลายมาเกิดเนี่ยนะ โดยมากเป็นอย่างนี้นะตอนที่มาเกิดในครันเนี่ยไม่รู้นะว่าตัวเองนีจะไปลงสู่ครันรู้ว่าตายแล้วแต่ว่าไปเกิดที่ไหนที่ไม่รู้เลยอย่างที่ว่าอย่างเราเราทั้งหลายเนี่ยรู้ตัวตอนอายุ ก, กี่ขวบนะระ ล, ลึกถึงความหลังตัวเองนะอย่างที่พระองค์พระพิสุหลายองค์วัน ก, นก่อนที่กล่าวนะบางองค์ระ ล, ลึกได้ว่าตอนเก้าวันแล้วเนี่ยเก้าวันหลังจากคลอดเนี่ยนะท่านรู้ตัวว่าเนี่ยท่านจําได้ตั้งแต่วันนั้นมาแต่ถ้าหากว่าเป็น พระภาษาริบุตรเนี่ยนะตอนที่ท่านลงสู่คันตอนที่ท่านอยู่ในคันเนี่ยท่านรู้แต่ตอนคลอดจากคันมาแล้วเนี่ยไม่รู้แต่ถ้าเป็นอสิติสาวกเนี่ยท่านรู้ว่าท่านจะไปเกิดแต่ตอนอยู่ในครันตอนคลอดไม่รู้เลยนะนะแต่ถ้าของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะตอนที่ท่านอยู่ในคันตอนที่ท่านคลอดตอนที่ลงมาสู่คันอยู่ในครันคลอดจากคันนั้นมีสติสัมปชัญญะเนี่ยนะ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 กุศลก็ให้ผลเป็นสุขเพราะอเพราะมันเป็นธรรมดาหรืออกุศลเนี่ยนะจะเมื่ออดีตอนาคตหรือปัจจุบันก็ตามอากุศลก็ให้ผลล้วนแต่ไม่น่าปรารถนามันก็แปลว่ากุศลให้ผลเป็นสุขอกุศลให้ผลเป็นทุกข์จะเมื่ อ, อไร่อย่างไรก็เป็นอย่างนี้ตลอดไปเนี่ยนะผัน เ, เจตนาดีต้องให้ผลดีเจตนาไม่ดีต้องให้ผลไม่ดีแต่บางคนก็บอกเอ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 รเลึกไม่ได้ทีนี้อกุศลมันให้ผลตอนที่ช่วงสับว่างระหว่างการเจริญกุศลก็เลยบอกว่าเอากุศลไม่ได้ให้ผลเป็นความสุขอันนี้ก็คือเข้าใจสับสนระหว่างเหตุและผลนั่นเองเนี่ยนะคือว่าไม่รู้ต้นรู้ปลายอ่านะไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยเพาะมาเมล็ดพันธุ์ไว้เยอะนะเปรียบเหมือนอะไรสมมติว่าถ้าหากว่าพวกเราทั้งหลายเนี่ยที่เกิดมาเปรียบเหมือนที่ดินเนี่ยนะเป็นเหมือนผืนดินเนี่ยเป็นร้อยไร่พันไร่ กรรมดีกรรมชั่วที่เราทําก็เหมือนกับเพาะเมล็ดพันธุ์ลงในแผ่นดินทีนี้เราไม่ได้เพาะเมล็ดพันธุ์แต่อะไรเพาะเมล็ดพันธุ์ชั้นดีอะนะให้ผลที่น่าปรารถนาโดยส่วนเดียวนะไม่ได้เพาะเมล็ดพันธุ์บุญอย่างเดียวเพาะเมล็ดพันธุ์โลภะลงไปมันเมล็ดพันธุ์โลภะมันก็ให้ผลเจ็บเจบคันๆเนี่ยนะเมล็ดพันธุ์โทสะมันก็ให้ผลเป็นหอกเป็นดาบนะฟาดฟันทิ่มแทงเรียกว่าเป็นประเภทต้นที่มันมีหนามอย่างเดียวเนี่ยนะ เดินขูดเดินขวนเนี่ยนะบาดแผลเวอะหวะไปหมดถ้าหากว่าปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งโมหะลงไปก็ให้ผลรคชัดสับสนงุนงงไปหมดเลยมันก็ต่างจากเมล็ดพันธุ์แห่งอะโลภาอโทสะอะโมหะเมล็ดพันธุ์แห่งการเตณรีก็ให้ผลเดือดร้อนเรื่องโภกทรศัพย์เมล็ดพันธุ์ที่ทุศีนก็ให้ผลมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพร่างกายการอยู่การปรองชีพถ้าเมล็ดพันธุ์ประเภท ไม่มีปัญญาไม่ได้อบรมทั้งสมถะและวิปัสนามาก็เป็นคนที่โง่เขลาพันชีวิตในสังสารวัฏการเวียนว่ายตายเกิดของเราทั้งหลายมันเป็นสนามเป็นที่ดูบุญดูบาเป็นที่ที่ดูผลแห่งบุญและผลแห่งบาปเพราะฉะนั้นเมื่อทําทั้งดีทําทั้งชั่วแบบนี้เนี่ยนะบางคนก็เลยเข้าใจผิดในเรื่องของกรรมไปแต่จริงๆแล้วหมู่สัตว์ทั้งหลายย่อมเป็นไปตามกรรม เมื่อกรรมมันจะให้ผลเนี่ยนะก็ไม่มีใครที่จะฉุดที่จะยับที่จะยั้งมันได้หรอกอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าณอันตริเคเเขเป็นต้นเนี่ยนะก็หมายคก็ว่าถ้าหากว่าคุณทําชั่วไว้แล้วนะทําความชั่วให้มันครบองค์ครบท้วนบริบูรณ์เหตุนั้นทําอย่างเต็มที่ครบท้วนแล้วต่อให้อยู่ในอากาศท่านก็ห น, นี้ไม่พ้นความตาย